เพราะนั้นการตื่นมาบําเพ็ญธรรมเกิดทรงเศร้าปัญหาเขาตื่นเศ้าก็พอมีพลังตัวนี้มันซอยได้แล้าใจธรรมะได้อารมณ์ใดสมาธิร็วนะิวอากาศความสงบสงัดความมีเวกมันพอมันมีกําลังเพรานั่นนะเขาก็ะตุนมาได้เศ้าแล้วผู้ใดเนื้อตื่นสวยหลังเช่นมง้งเวลาผู้นั้นจะบริลับบริลับพลังจกักรวาลคนจิตออนสุขภาพบอดีแล้วคนตื่นนอนตื่นสวย สมื่อนี้เด็กน้อยสุขภาพดีอารมณ์เสียง่ายหลวงพ่อบอมีพลังอันนี้เข้าตเลยหลวงพ่อตื่นสวยแปดโมงเก้าโมงสิบโมงนะนักบวชนักปฏิบัติเศร้าไรเศ้าหน้าที่ตื่นดินเศร้าจะมีกําลังใจกําลังกายดีนั่นคือสำคัญเพราะนั้นตื่นเศร้าขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยพา้ยพาออกร่างกายแล้วก็ปฏิบัติเลยโดยที่ว่าต้องทำวัดฉุดมนุฟังบรรยายใด แค่นั่นน้ำเล็กน้อยๆแต่เอาเรื่องการฟังทำมาเป็นช่วงแรงเพืแ่อบบเขาจะได้มีความเข้าใจในสิ่งที่เมาเห็นซึ่งมื่อนีนเขาได้ฟังที่เทพยานุพเทียนยนี่ไชัดเจนเนี่ยบนเบาตรงไ ป, ตร ง, ไปตรงมาจจกว่าจะเข้าใจกันได้สุขุนบ่แต่ว่าผู้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติทวานี้จะเข้าใจอยูน่นีเนาะเข้าใจได้หมดละแต่มี มีคำรหัสอยู่ที่เอาอาจจะเข้าใจ บ, ร, บริบทเรื่องสมุดบัญญัติปนมัตบัญญัติอัถบัญญัตอิอย่างนี้อริยบัญญัตินี่คุณบอกคำบัญญัติตัวนี้ที่เท่าจะอาจจะต้องเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นจะเข้าใจคำนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งที่น่าจะเข้าใจได้ดคือคุนว่าว่มามรรคผลนิพพานนมัน เขาไปคิดไปไกลหลายตามบัญญัติหนังสือเนี่ยแต่ความจริงในภาคปริบัติเราคือจัดการความขื่นเท่านี่นะนะความขื่นหนึงเทานี่มันเกิดขึ้นตั้งยูดับไปถ้าเขาเจริญวิปัสนาแล้วเขาจะต้องมีตัวรู้ตัวปัญญาเนี่ยมาจัดการกับความคืดนได้การที่ได้ปัญญามาจัดการกับความคืดนได้ตามต้องการนั่นแหละเขาผู้จากทางไปมาปุริพานแล้วพอ ตัวตัวที่เข้ามาปฏิบัตินี่เพื่อให้เกิดปัญญาเด้โลคุตระปัญญาโลคุตระปัญญาเนี่ยมันจะไปจัดการความคืดใดโลคียปัญญาจัดการบุไดผู้ใดจะเฮียนจบสัตราจารย์ด็อกเตอร์จัดการในความคืดบุไดเพราะว่ากำลังมันบวถึงนะสมมุติว่าเอาไฟธรรมดาเนี่ยไปตัดเล็กเนี่ยไฟที่เข้าจุดอไปตัดเล็กบุไดเด้มันบอพอ แต่พอไปใช้ไฟแกดไฟฟ้าที่มีพลังสูงตัดขาดได้เล็กเงี้ยคือกันกําลังปัญญาโล ก, กียปัญญาเนี่ยกำลังบรรพบุรุษไปจัดการกับความคิดใดเพราะความละเอียดมันต่างกันความละเอียดมันต่างกันแต่พอเขาเจริญสติอย่างน เ, นเนี้ยเเห็นเียเนี่เจริญสติจเจริญสมาธิปัญญาที่เป็นลูกุณาลาปัญญาเนี่ยคือมันมันเป็นตัวลู่โดยเฉพาะเป็นตัวลู่ที่บริสุทธิ์ที่มีความคิด ว่ามีรูปปนอยู่ตัวรูปตัวเนี้ยมันเป็นโลกุตตรปัญญาซีไปจัดการความคึดได้แต่ผู้ที่เจริญสมถะขึ้นบ่ไปหอดตัวโลกยิยะปัญญาโลกุตตรปัญญาควรจะใส่เอาสมาธิเนี่ยไปคมเอาไปคมความคึดไปคมความกิเลสอันหาที่มันเกิดเป็นข้าวๆเนี่ยไปคมคมจนว่ามันอยู่ แต่ย่อมใดตัวสมาธิที่กําลังที่บุท่านเป็นโลกุระละปัญญาเนี่ยมันหมดกําลังตัวที่อารมณ์ต่างๆที่คมไปกับขึ้นมาคืเอเกลกิเลตจะเกิดขึ้นเกลว่านั่นพวกที่ไปสมถะได้สูงบ่ใดในกาไปนิพพานบ่ใดเพราะว่ากิเลสอสวรรคบ่ขาดบ่ใด <c oughs> แดังนั้นพระพุทธเจ้าคนได้พ่อวิปัสสนาคนก็มาสอนวิปัสสนาหลดกหน้าหรือคนก็ทําแบบสมถะแบบคมกิเลส จากอาจารย์ต่างๆมาห้าหกปีก่อนพุทธศุกร์ก็บอสามารถจะบรรลุอนุตรสมาสัมริญญาได้แต่เมื่อพล่นมาอธิษฐานแต่พาะพุ่นในช่วงสมัยนั้นเขาก็บอเรียกว่าไอ้บุได้เรียกว่าวิภัสนาหรอกวิพัสนาเปบนคำว่ญญาบรรยัติขึ้นที่หลังแต่ว่าตามซ้ำแปว่ากันเห็นชัดเห็นรูชัดเข้าใจชัดสภาวะกายใจในช่วงใดใจมันขึ้น ก็เห็นชัดช่วงใดใจมันบวชขึ้นก็เห็นชัดช่วงใดกายมันเจ็บมันปวดก็รู้ชัดจ่งใดจิตมันคิดก็รู้ชัดมีพัฒนาไปว่ารู้ชัดรู้แจ้งรู้สว่างรู้สวัยรู้ตางไปก็เกลาน่ยไปอตัวนี้ดังนั้นธรรมะตปฏิบัติมีพัฒนาหมายถึงธรรมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาโดยเฉพาะของมันตัวรู้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรู้ที่ตางไปจากตัวขึ้นตัวขึ้นรู้ก็ ตัวเห็นเนี่ยตังกันตัวคึ้นรู้่มันเกิดจากอดีตอนาคตมันมันเป็นสัญญาสัญญาจากอดีตอนาคตเพรามันขึ้เป็นสังขารแต่ตัวรูที่เป็นวิปัสนาเนี่ยมันบ่ได้เกิดจากตัวสัญญาแต่มันเกิดจากตัวปัญญาเนี่ยแล้วปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาบอมเบโลกิยาโลกิอาปัญญาที่บอกไปเมื่อวาน โลเคียปัญญามันเกิดจากที่จิตเข้าไปเอาเรื่องอื่นมาคิดเปรียบเทียบจากความจําออกมาเป็นโลเคียปัญญาแต่โลกุตตรปัญญามันเกิดจากการได้เห็นสภาวะที่ปรากฏเกิดขึ้นทุกขณะในกายความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งถึงทั้งกายความสบายบม่สบายทั้งกายความสบายบ่สบายทั้งจิตความคืบความบม่คืบเนี่ เเข้าไปเบึง้งไปรูปไปรับรูปอาการแล้วนี่เรื่อยๆตอนแรกนะเนี่ยผมให้รับรูปเฉพาะเรื่องกายก่อนเพราะว่ามันมันง่ายมันหยาบใ น, นส่วนเขานั่งลงปั๊บเนี่ยมันก็มีปว ด, ม, ม, ปวดมีนักมีเมื์ให้เห็นหลดุดนั่นบมดละคือเราพลิกปั๊บเนี่ยมันก็มีความสบายความบอกให้เห็นหลดุดนี่คือไอ้ความที่เขาได้เห็นเฉพาะที่มันเกิดขึ้นแต่ละคณะขณะเนี่ยตัวนี้จะเป็นต้นต่อของตัวโรคโรคพุธตธละปัญญา ลกูกคุณจะไปทำไ ม, มขอว่ามันเห็นสภาวะปุ่นใจคําว่าปัศนาปัศณะปัศณะ น, ณะนี่ภาวะที่เห็นวิปัศนาปัศนปัศณะคือการเห็นเฉพาะที่มันเกิดขึ้นขณะนั้นปุ่นปุ่นใจคําว่าทัศนะต่างกับ ป, ปุ่นใจปัศนาทัศน์หน้ามันก็ว่ามันเห็นออกไปแต่ปัศนานี่มันเห็นกลับเข้ามานี่ อนุปัสสนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่มันเห็นกลับเข้ามาในกายเวทนาจิตธรรมแต่ทัศนาเนี่ยมันเห็นออกไปจากกายเวทนาจิตธรรมเรียกว่าทัศนาหรือว่าทิวทัศน์ทัศน์มองเห็นออกไปอ่าดังนั้น เท่ากัต้องมาสังสมตัวนี้แหละเพื่อน็เว่าแต่เรื่องเรื่องทําความรู้สืบตัวเนี่ยหลวงพ่อเทียนเพิ่นว่าเพื่นหูมาจังสี่ผู้ใดจะว่าโบแมนแก่ตามแต่เพื่นหูมาจังสี่เพื่อนเห็นจังสี่แต่คนที่เคยหูตามตอนรับตอนลาตามพระแต่ปีดก็เห็นหู้มาหลายเห็นประโยชแปดประโยช์เก้าเจ้าคุณเพื่นรู้อ่บทันอย่าเหตุเรื่องนี้ได้เพื่นรู้ยัางกวดเกลียดเกลดคุณเพื่อยังหลบยังกวดยังหลงอยู่โบมีผู้ ได้เห็นว่าคนเจละโรกกูหลงได้ทั้งทางดีว่าคนก็นเฮียนมาหลายผักบดมาโดนแล้วโรคลรคโรคกู ล, ก ล, กกลงก็ยังแห้งกูเกาอยู่พอเพื่นพอนโบเห็นตัวนี้เนะียเดี๋ยวไปเห็นตามตำราจำตำราจำพระไตรปิฎกได้ดไดมดกระดามจะโบเกิดโรคกุณฑละกปัญหาโรคกุณฑละกษณ์ปัญหาเกิดจากการกระท่ำโดยเฉพาะโบเกิดจากการนึกคิดเกิดจากการทําเอาเห็ุเอาอพราะนี่การทําก็มีสองอย่างหนึ่งการทําแบบ สมท t h เพื่อที่จะเอาสมาธิความตั้งใจ <c oughs> ที่มีอยู่แล้วนะ่ะมากดมคมมาทับมาเหงิม า, าห้ามไว้บ่ให้จิตมันขึ้นไปเนะี่ยอันนี้ก็เป็นสมาธิเป็นสมาธิอันหนึ่งที่ทุกคนมีอยู่แล้วนะเช่นเวลาเขาเขาซึก เครียดขึ้นมาคมเอาไว้บอกให้มันเครียดหรือมันอทุกคนมันมีอยู่แล้วเนี่ยตัวตั ว, ตวบังคับความผิดตัวความขันตีความอดทนบอกตัวอื่นเป็นสมาธิทําที่ให้สงบทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะใส่ลําพังในความสงบอันเกิดจากความกดคมเนี่ยมันบอบพ้อที่จะให้ให้เกิดตัวรูได้แต่สําหรับตัวอ่า สัมมาสมาธิมันมีอยู่สองคำนี่มิจฉาสมาธิหมายถึงว่าใช่ตัวตั้งใจตัวความอดทนเนี่ยมาคมมาค ม, ม, า ค, มความขึ้นและอารมณ์ความยับยังความยับยังอารมณ์เนี่ยมาคมไวแต่ว่าบทสามารถที่จะไปตัดอารมณ์นั้นได้บทตัด กดควบไว้ถ้ า, วาควบไว้มันก็คิดเขาเนี่ยลักษณะนี้ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่แต่ว่าส ม, มาสมาธินีน่คือมันจะต้องกลับมาเห็นอาการมาตัง้งมาตัง้งมาตัง้งอ่าสติตรงมิสติเป็นเป็นฐานนี่สมาสมาธิตรงมิสติสัมภิชย์เป็นฐานที่เป็นส ม, มาสมาธิได้แต่มิจฉาสตินั้น มาบอกบอต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นฐานกันเลยเป็นความอดทนกดข่มเนี่มีอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงมาเจริญสติสัมปชัญญะเพอาะเจริญความมู่งซึกคือตัวความมู่เมียเวลาเขาเห็นอย่างทําอย่างนึ่าลำดับไปถึงสี่ฐานเนี่ยมุ่งซึ้งเมียทางกายมู่งึกงควเมียทางเวทนามุ่งึกงควเมียทางจิตมุ่งซึกงควเมียทางอารมณ์ในมุ่งซึกไป ชัดๆเป็นขั้นตอนไปก่อนที่เขาปฏิบัติเนี่ยเพื่อนเขาจะมาเน้นทางกายเบื้องต้นนนั้เดินการเดินกโชว์ครงสร้างจังหวะให้ให้หูแต่เขานั่งนิง่งๆอยู่นัง่งโบติงโบนี่มันก็หูใดขึ้นกันแต่เม่อหูได้ผุผืนเนี่ยนะนะมันหูได้บกครั้งจะแค่เขานึกอยากกินเขา่าอาหารมันแสบเขาก็ได้กินได้ไอายเขาก็หูซึกแซ่ขึ้นกันนี่มีน้ำลายออกมีน้ำย่อยออกคือกัน แต่เขาบริยิบอาหารใสไปากเนี่มันบุอิ่มเป็นเนี่อ่ามันรู้ซึกอิม่มมัรู้ซึกหิวรู้แต่เขาจะในว่ายิบอาหารไซปากสจนได้กินได้รสได้สัมผัสลสเออซึ้งอิ่มขึ้นมาเป็นปรูปธรรมคือกันความสงบมีอยู่ในใจเขาขึ้นกันแต่ว่าเขาบดิสร้างตัวลูกขึ้นมาเพื่อให้ความสงบเนี่ยมันมีแสงสว่างขึ้นมาได้ คือไม่ขีดไฟก็ดีไฟแช็กก็ดีถ้าเขาบอไปจับมันว่าขีดเนี่ยมันบกเกิดเป็นไฟให้ได้มันจะมีอยู่กระตามเนอะไม่ขีดเนี่ยไฟแช็คเขาไม่มีก็ตามถ้าบวชจับมักดให้เกิดขึ้นเนอะมันก็บกเกิดดังนั้นตัวสตินี่เป็นตัวที่เขากดเขาสร้างตัวการกระทําขึ้นมาบกเกิดการกระทําปั๊บ ไม่ขีดก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาไฟแช็กก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาตัวนั่นเอิ่นว่ากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานกรรมฐานคือทำลงไปนะในตัววิปัสนากรรมฐานนี่หมายถึงว่าเท่าทำความรู้สึกลงไปโดยที่บุตรขึ้นนะทำความรู้สึกลงไปสมมุติเราจับอันนี้คือรู้สึกบอกเจ้าของด่านรู้สึกว่าออน จับอันนี้ซึ้ว่าแข็งจับอันนี้ซึ้าฮอนจับอันนี้ซึ้บเย็นนี่คือมัสัมผัสได้แต่เขาบอกเขาอย่าอันนี้เย็นอันนี้ฮอนขึ้นได้อยู่แต่ความเย็นความฮอนอีดีนเนี่ยม่นเกิดขึ้นได้เพราะมันบริเวณจับเอาสมร tha คือกันสมร tha คื อ, น, คอ น, นึกเอาอย่างที่ว่านะฮู้แล้วก็นึกเอาจำนั้นมันก็เยนนมม็นนะฮอนจำนั่ะแต่เขาโมโหเย็นโมโห้นหหอนของมันจนว่าให้ไปจับมันแต่มีปริศนาเนีมันเขา <c oughs> ต้องลงไป จับไปสัมผัสสิ่งแล้วนั่นซชก่อนแล้วความรู้อันเกิดจากการสัมผัสเนะี่ยจึงเป็นความรู้ที่เป็นวิปัสสนาที่มันเป็นตัวรู้ขึ้นมาต่างหากว่ามันเกิดจากตัวคิดเอาแล้จับเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันบมคิดมันกระรู้ได้เพราะอภภาว ท, ที่สัมผัสได้นี่มันบดสามารถคิดเอาได้นะมันต้องไปสัมผัสเอาตัวรู้ที่ห้าวห้ยกเนี่ย สมนุนทามวยกในตัวรูว่ายกในมีบ่มันก็บมีถ้ายกขึ้นเท่าจึงหัว่ารูว่ายกถึงมีตัวรูเกิดจากตัวยกตัวกำรุ่นรูนี่แหละมันก็นเลยกายเป็นตัวรูตั้งหากเพื่อนเลือเอินว่าตัวนี้ว่าสติสัมปชัญญะอ่าสติสัมปชัญญะเขาจึงมาเจริญสติมาเจริญสัมปชัญญะให้มีกำลังบ่เนี้ยให้เห็นดูดูเพื่อให้ตัวรูที่มันชัดอ่า ลูดตัวนี้มันมันบริจําไว้เลยแต่มันเป็นความลึ่งความเคยเหมือนเขาขับนะรถเนี่ยขับซื่มือซื ม, มือมันบริจําไว้จ ต, ต้องขับยังสี่บริหนึกเด้เวลาขึ้นรถไปบริหนึกว่าต้องอ่าต้องบิดกุญแจก้อนบอต้องจับพวงอะไรอย่างต้องเหยียบค่าเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอย่างไดเนี่มันบริคิดแล้ยตีมือมันไหวรถ่ลยนะเพราะยังเพราะไม่ได้เหตซื่ ม, มือ ลักษณะเหตุคือเป็นความลึงชินมันบอเป็นความจำเลยแต่มันเป็นความเขาเอิ่มมาทักษะนะตัวนี้เขาเอิ่มในตัวสัมผัสคือกรรมฐานนะความชำนาญก็เกิดขึ้นนะดังนั้นเวลาเขาปฏิบัติแล้วเขาจ ะ, ะสงสัยเด้ถ้าเข้าใจซีสงสั ย, ยโยนโพเทียนว่ามาวังหันว่าถ้าความรู้ตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีกำลังแล้ว ตัวความขึดมันจะย่อมลดกำลังไปเองอใครคื อ, อหนูกับแมวแมวกับหนูเนะี่ยตอนแรกนี่ถ้าแมวตัวน้อยๆดูหนูตัวใหญ่ๆนี่หนูบรยายนแมวเลยบริยานเพราะฉะนั้นเขาอย่าไปฝึกให้แมวจับหนูกับกรดไรเพราะว่าตัวมันน้อยอยู่ที่จับกับบรยู มีทั้งเดียวบนว่าขุนแมวให้มันง่ายเพราะแมวมันง่ายเรามันก็หู้จักธรรมชาติมันจัดการเองนะมันก็บหนูมันก็ย่านโดยธรรมชาติของมันเองเหมือนนี่อ่ามันเห็นหนูก็แล่นหนีเลยทั้งที่ยังบอท่านได้ไล่ได้กัดได้กินนะโดยธรรมชาติมันมันมัปั๊บกันเองหรือบางสั่นเหมือนความมืดของในแนี่วเขาปิดไฟหมดเนี่ยมันจะมืดอืแต่พอเขาเปิดไฟปั๊บเนี่ยความมืดมันหายไปเองโดยธรรมชาติของมัน ขึ้กันความคืดขึ้นกันถ้าสมมติเขาสร้างตัวลูเนี่ยหลายขึ้นลายขึ้นเนี่ยพอตัวคืดเกิดขึ้นว่าตัวเนี่ยมันเป็นตัวลูอีกตัวหนึ่งแต่มันมีพลังกว่าตัวคิดเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยพอเปิดขึ้นปั๊บเนี่ยบุตรองไปไลไอความมืดให้ย่างและมันดับไปเองพอตัวลูตัวนี้ถูกสร้างสมขึ้นหลายคร้งเวลาความคืดความอยากเกิดขึ้นเขาบุตรองไปไลมันยากมันจะมดกําลังไปเองอันนี้ทำไมชาติมันป่ากันเอง พอผู้ที่เจ้าพูดเห็นลักษณะเสิแล้วอเพูนก็เลยโอ้ทําได้ในน้อยเลยแต่ก่อนหน้าพูดโมลูพูดโมลูตอนที่มาพิจารณาจุดนี้แหละหลวงพ่อเทียนพูดกันํา่มจุดนี้ไปจนพ่อพ่อแล้วพูดก็มั่นใจพูดแหละมั่นใจพูดก็ร้องมาสอนพูดนำพูดนี้เราเห็นอย่างที่บนหูมาดี้มันเป็นบอเขาก็บอกคนอื่นเขาก็เป็ี่ยนขึ้นกันแล้วก็เลยมั่นใจเพราะนั้นบอกว่าพูดก็มาสอนเรื่องนี้ผู้ได้จะเห็ุ น้ำท้ำตามหรือบอกออกกรตามแต่พูดวินาที บ, บอกมันเป็นย่งเสียหลองเฮ็ดบึงแต่บากโคดพุมีสัทธาเฮ็ดแต่พูดมันก็เป็นอย่งางพูนวานั่นนี่ก็เลยว่าพูนก็เลยบอกว่ า, ราบริบริเวอันตำรับตำลาบริเ้อัมคูบาอาจารย์นั่นจาจะนี่สอนพูนก็ทำตามแล้วมันเกิดประจักษ์ขึ้นมาพูนก็เลยนำมาบอกแต่ผู้ใดบ่มากนันนี่ก็บผู้รองเฮ็ดพนว่า ถ้าจะเหตุจะต้องเหตุโดยความหักความศรัทธามันถึงจะเกิดถ้าทําไปโดยบ่มีศรัทธาก็บ่เกิดขึ้อกันนะเนี่ดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำโดยศรัทธามีความเพียรเอาคนรูคนปฏิวัติเท่านั้นจึงสัมผัสได้จะมาหนึกมาคิดเอาว่ามันแมนบ่มแมนบ่ได้เพราะวันบ่มเนี้ยนึกคิดมเนี้ยต้องลองสัมผัสเอานะแต่ว่าก็เป็นความจํา เขใส่บ่อใดสมมติว่าให้เขาจําว่าเกลือมันเข้มเนี่ยเขานึกเท่านั้นเกลือมันเข้มอย่างที่เขานึกว่ามันก็บ่เข็มนะจนกว่าเขาจะไปยิบเกลือ ม, มากินนะผีกมันเพชรนะเขาบ่อที่ยิบผีกมาใสด่ดินมันก็บ่เพชรถึงนึกเท่าไรมันก็บ่เพชรให้ทั้งทางนี้ว่าเขาจนะําได้น่ะมันเพชรเป็นไปยังไดแต่มันนึกคิดเอาบ่อใดต้องไปจับผิกมาเคี่ยวอันเดียบหเพชรอันนี้คือกันตัวรูนี้เป็นยังไดก็นึกเอาบ่อใดคือกันจนกว่าเขาตามรูไป แต่ความจริงมันก็มีเนะทุกคนจับน่ะจับนี่ก็รูแต่มันรูโดยสัญชาติญาณรูออกไปข้างนอกเลยมันบริรูกลับเข้ามาแต่ตัวที่เขาฝึกเนี่ยมันเป็นการนรูกลับเข้ามาพอกลับเข้ามาดูเข้าดูเข้ามันก็นมารูภายในนี้แต่ว่าทุกคนรูได้ไ่มรูได้ทดลองบึ้งแต่ถ้าบ่มีศรัทธาบ่มีความเพียรมันก็รูขณะที่ที่ร้องนั่นแหละแต่หลังใจแล้นมันก็บรรูเพราะยังเพราะมีบ่มีศรัทธาที่จะเห็หนันน่ะ ถ้าภูมิศรัตยาเหตุแก่รูออ้ลแล้วก็รู้อีกรู้แลกรู้อีกรู้ห ล, ลายเที่ยงเขาไม่เคยสั่งสมตัวรู้นี่หลายขึ้นหลายขึ้นเมื่อกลายเป็นตัวอปัญญาตัวสติตัวสมาธิตัวญาณตัววิชาของมันไปละ่ะตามตามดำดับอ่มก็ เ, เปลี่ยนชื่อไปตามกําลังของมันนะนั่ น, น, นการที่เข้ามาว่าวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนบูมิศรัต แต่สำหรับคนมีศรัทธาแล้วฟังออกว่าหมายความว่าอย่างไรพอ ม, มีศรัทธาแล้วก็ได้เหตุลงมือเหตุพอมันนะโบมันมีศรัทธาอย่างเดียวโบลงมือเหตุกับโบโแมนเดชศรัทธามายถึงว่าลงมือเหตุดำเอิว่าความเพียรนะพอเหตุนํนาทําตามแล้วมันก็สัมพันธ์ได้ตัวรูนี่เป็นอย่งสี่ศรัท่านที่มันมีอยู่แล้วนะ่ะแต่เขากับรูซัารูซําลูซากเข้าไปเพื่ อ, อยังเพื่อให้มันชนานาญนะนะถ้าบรชํานาญเป็นอย่างไรเหมือนคนมีคอมพิวเตอร์หนะึ่งมีอยู่ ถา้าทาไว้ใส่เป็นบ่็เป็นน้อยน้อยบ่อเป็นหลายมันก็ได้ประโยชน์น่อยถ้าเฮ็ดซ้ำเฮ็ดทำศึกษาไปซื้ ม, มือซื้ ม, มือมันก็เป็นหลายเขาหลายเขามันก็ใส่ประโยชน์ดได้หลายใครเราหลายเขาตัวรูนี้คือกันตัวรูนี้ทุกคนมีหมดอ่อาทำว่ารูยังลึกยังหลายไปก็นั้นก็นกนบ่ได้เพราะว่าห้องบ่ท่านได้ทํานีดังนั้นอันนี้คืออ่า อธิบายข้อหมายที่ลวงพ่อเทียนพิณวอลหอดว่าปริบัติทั้งสี่มันเป็นจังสี่ น, นะฮะแล้วก็ทอดีพินวอลมานี่ยหมายถึงว่าได้พิสูจน์แล้วหลังจากเป็นหูเรื่องนี้แล้วก็เอาไปสอนพี่สอนน้องล่องเบิงเอาไปสอน คนลุนพอลุนแม่ลุงเบิงไปสอนผู้เฒ่าผู้แกล่ลุงเบิงคนหนุ่มคนสาวลุงเบิงแม่แต่เด็กน้อยเราไปสอนลุงเบิงว่ามันจะหูคือการบอล่ะปรากฏหูได้คือกันกเบิด้ดได้ขอให้เห็นดัําทําตามแล้วก็พิสูจน์ว่าสองปีคนนี้ส่วนเราจะมาบวชเนี่ยว่ามันจะสิ่งที่เราลูบมานะั้นมันแม่นอิรีบอนนะ่ะเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นครือฮัทในหนุงพาเนี่ยพิสูจน์สอนอยู่สองปีจนเราบรนใจียน่ะัรรใจว่าแมันละแล้วก็เลย ดังใจทำเรื่องนี้บอกแต่สอนได้เรื่องนี้คนก็รู้ ก, กว้างขวางหลายขึ้นลายขึ้นก็ น, นํามาบอกต่อต่อต่อ ต, อตอกันนะโดยที่บุได้เกี่ยวข้องว่าขณะสงจะรับรองหรือบม่รับรองขณะดสงจะเห็นด้วยหรือบ่เห็นด้วยแล้วบอกว่าเกี่ยวเนีแต่ขอให้คนเข้าใจแต่ปรากฏว่าพวกผู้ใหญ่หลายคนแต่ที่นี่ความเข้าใจมันได้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกมันต้องมัดเดี๋เข้าใจมือเดี๋ยวมันเป็นไปบุได้แล้ว เมันจะาค่อยเข้าใจไปขึ้นอยู่กับศรัทธาของเขาว่าเขาขายานเหตุบ่เ ข, า, ขาอยายเหตุมันก็เขาค่อยดูไปดูไปดูไปจนมือหนึ่งเนี่ยมันเกิดความเข้าใจของมันเองพอความเข้าใจแล้วมันก็จะหาทางขยายบริหารโดยเจ้าของเองแหละเหมือนเขาไปทำงานกับเจ้าของร้านอาหารนี่นะตอนแรกเขาทำงานร้านอาหารก็เป็นแล้ว เราก็ฝึกปรุงอาหารไปน้ำผึนเห็ดไปน้ำผึนจนโมหนึงเนี่ยพอมันเป็นแล้ว เ, เอามาตั้งล้านเองบปเนี่ยว้นที่เขาจะผลิตอาหารปรุงอาหารได้ดีขอเจ้าของล้านนั่นเองเพราะ อ, อย่างเขาเกิดทักษะเขาเกิดปัญญาดีขึ้นมาคือกั น, นเมื่อเขาได้หัววิชาอันนี้แล้วเนี่ยต่อไปเวลาเขเข้าใจแล้วเนี่สามารถขยายใจแจกให้ผู้อื่นใส่เขาบอกใส่สมุดของเจ้าของใส่ใสถีปัญญาเจ้าของอาจจะทำได้ดีกว่าคู่บ่ายใจดี เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตมาต่างๆกันนะอนา마ก็เลยหวังว่าวิธีอันเนี้ยมันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ตรงตร ง, งเลยละ่ะโดยที่บตุตรทงจํมาอีตั้มรับตํามร่าไปว่าเอาประสบการณ์ที่เขาสามารถลดละความทุกข์ความอยากเจ้าของใดมันลดละได้อย่างไรอย่างนะคนอื่นก็นคือกันคนอื่นก็นทุกข์ขึ้นเขาทุกข์เพราะความหลงกลุ้มขึ้นเขาทุกข์เพราะความแก่ความเย่อขุนใจขึ้นเขาเนี่ยล่ะ บริกามกันแต่เขาลดของเขาใดอย่งางไดเขาก็สามารถบ่อขึ้นอื่นลดได้อย่างสั่นคื่นกันนะแต่ว่าตัวศรัทธาความเพียรของเขาจะถึงบอ่อเลยตัวนี้สําคัญเลยศรัทธาและความเพียรเะมันเป็นฐานเมื่อศรัทธาและความเพียรถือตรองสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเองศรัทธาเนี่เหมือนเรียก ว, ว่าเขามีหม้อเขามีน้ำเรียวร้อยละ ความเพียรเหมืนก็มีไฟะมีไฟเมื่อจุดไฟขึ้นมันหูมันตุ่มเลยยังไดของดีในหมรรมันต้องสุกล่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงถ้เกินเขามีศรัทธาเตรียมกายเตรียมใจเวลามีความเพียรคือลงมือเหตุย่างไดตัวสติสมาธิปัญญาที่มันมีอยู่ในหน่อยของเขาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงมันก็เติบโตขึ้นมันจะกว้างขวางขึ้นมันจะลึกซึ้งของมันเองนะนั่นะเท่า แต่ละคนนี่เอาอไปคิดถึงคนอื่นเอาเจ้าของให้ได้สัก่อนเพราะสุขทุกขนะ์น่ยมันอยู่น้ำเจ้าของคนอื่นซอยห้ามบุได้ได้เเขาทุกข์ขึ้นมากมป็นเวลาเวลาเขาเป็ น, ปน อ, อนยังขึ้นมากคนอื่นก็ซอยห้ามบุได้ห้าวตรงซอยเจ้าของก่อนแล้วคนอื่นเดมาเจ็บมาตายแทนเขาก็ได้เขาจะไปเย็บไปตายแทนคนอื่นก็บุได้ตัวภัยตัวมันเพราะนั้นเวลาเขาลงมือปฏิบัติบ่ตรงห่วงคนอื่นถ้าเข้าใจแล้วมุงเห็ุแต่ของเข้าไปคนอื่นเห็ุบ่เห็ุ ที่พ่อดีให้ถือบุถือก็เป็นเรื่องของของภัยของมันพระวิสนาบราบรมีที่เขาสร้างม่านบกขึ้กันเน่คนบขาเลสร้างวิสนาบารมีมาหรือไปสร้างเมื่อน้อยให้ไปรอผลกัน บ, บ่ได้แต่เขาสร้างเมื่อหลายก้อนเนี่ยสมมติว่าเฮาเนี่เดินทางไปทางไกลเฮามีคาเฮามีเงินพ่อค า, าเครื่องบินเขาก็ไปเครื่องบินรดแต่คนนันโบมีเงินพ่อคาเหมือนคนมีเงินคารถไฟคารนยุนเนี่ยไปเครื่อ ง, นองนขาขายนต์น รถไฟก็ได้แต่มันถึงสายจักหน่อยนี่ทุนเดิมแต่ละคนจะสร้างวัฒนธรรมกันเลาก็มูจะว่าเขาสั่างมาสักไหนลองมาเห็ดมึงก่นอนเดี๋ยวเราลองเห็นเรานึกซึว่ามููสึกเห็ดได้มูซื้อเห็ ด, หดหแล้วมันดีมูซื้อแล้ว ม, มันเข้าใจเอจเอแสดงว่าเขามีทุนมาแล้วแต่เขามีทุนมาแล้วถึงเข้าใจได้ง่ายเทาก็สามารถที่ไปตอ่อทุนนี่ให้ให้เร็วนี่ได้แต่บางคนมาปฏิบัติแล้วมาทําแล้ว ยังไ่เข้าใจยังรังเลสงสัยอยู่แต่กท็ทนฝืนทำไปยังไงอาศัยสัทธาวอย่าอาศัยสัทธาโดนดุนไปมันก็เข้าใจได้ขึ้นกันเพราะว่าบางคนนี่นะพ่อแม่บริลลัด้ริลล้ยมาก่อนน่ะแต่ตัวเองว่ขาขยันสร้างรักสางฐานด้วยตัวเองก็ทำดได้ขึ้นกันเด่นอันนี้คือกันแม้ว่าเขาบริสร้างพ่อแม่พี่ม่องบรนพงลุ่บริสรคนงนำทาบุญบริฝึกฝนวิปัสสนามามาเฮาเม้าเฮานี่เขาก็เหตุเข้าใจสาจะหน่อยแต่อาศัยเฮามีความ <c oughs> มีควา ม, ย ม, วา ม, มาขยันมีวิริยะชนามีปรมีทั้งขยนันเท่ากับขยันเฮ็ดเอาเขาก็สามารถหูเข้าใจได้หลายขึ้นกันเนะมือนก็เล็กน้อยที่ว่าพ่อแม่บริเลมด้วยพ่อแม่บริสร้างรักสร้างฐานให้มาแต่งแต่งสร้างรักฐานเอาเองเนี่ยก็เลยได้ขึ้กันนี่ยนะเขาก็จะบุกค้นท่อว่าโอ้เฮาบ่มีบุญคือเพ้นบ่นมีปัญญาขึ้นพ้นไปคิดเนี้ยสั้นขอให้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติมันก็นยังไงที่น เขาจะหูได้ยังไงว่าเขามีวาสนาปัญญาหลายวาสนาปัญญาน่อยหูได้ที่ว่าความเข้าใจได้เร็ยวได้ทราบความเข้าใจได้ถือระบบถืกบนั้นสําคัญเข้าใจได้เร็ยวได้ถือแสดงว่าเขาได้สร้างมาดีแล้วเข้าใจได้ทราบแล้วก็ได้เข้าใจบุญถือแล้วก็มีความพยายามเพื่หตุไปทำไปเรื่องเข้าใจนะ ดังนั้นหลวงพ่อว่าในแผ่นดินอเมริกานี่มันยากอยู่อย่างหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมมันเบื่อเอื้อพอคนต่างศาสตร์สัสสสสงศาสนราดังรักต่างฐานกันห่างไกลเนาะแต่ถ้าคนบม่เข้าใจหลักการนี้นีหลักการนันนี่หลีเขากันรักษาเจ้าของบริษัทเนี่ยเมีใดมากระทบกระเทาะก็โดดใส่ทุ่มใส่หมดเลยแต่ถ้าสมมติเขาเข้าใจหลักการนั้นนี่อ๋อเขาก็กาเบิ้งซื้อก่อนได้ เหตุการณ์ทังสี่มันเป็นยังไงเขาเบิ่งไปก่อนเวลาปฏิบัติเรามันมีผลดีอย่างหนึ่งเขาเปิดผูเบิงสักคนนึงนะเบิงก็อะไรขึ้นแต่เกานี้เขาบริหารปฏิบัติอันนี้ยังเกิดขึ้นเขาโดดใส่ยโดดไม่หมดเ่ยตามประสบการณ์เราอยากให้มันแล้วอยากให้มันเซ็จอยากให้มันดีอยากให้มันถูกอยาให้มันทันใจเนี่ยแต่ว่าบางครั้งพอมันบริยายงใจปั๊บเนี่ยเขาก็เสียของแล้วมืนบ่าเหมือนกับเขาแทงให้รวย โอ้เบอร์นี่แหละทุ่มใส่ียวมทีบัดเปิดมาบนโมเมนต์เมื่อแอนแลอันนี้คือเขาเบิ้งซะก่อนเบิ้งหลวงเบิ้งลายเบิ้งวิธีการเขาเร่นซะก่อนไปยังไดแล้วค่อยๆเห็นไปนี่เขาได้ได้เปรียบตรงนั้นคือเขาเบิ้งเป็นเบิ้งกายเบิ้งใจเขาดราม่าเนี่ยเขาก็บบางคนจะเขียดทันทีเขาเบิ้งใจเขาจะคน่าไวยังไงมันถือหรือมันพิษเบิ้งใจเบิ้งเขาซะก่อนเนี่ยเขาว่าอย่างเข้าว่านี่ มันสมควรเหยียดนี่บ่กแต่ถ้าสมมติเ่านไม่ได้ฝึกฝนนี่บอได้เขาว่ามากูก็ว่าไปท่านที่ขึ้กันนั่นเป็นะแต่เขาได้ฝึกแล้วว่ามาเนี่ยมันถึกสมมติเขาเอานาห่อนมาศาสเท่านี่ทั้งบนหลีกูเจแมนบอกเขาเอาไฟมายุนใส่เขาบรลบดิบเจแมนบอกเนี่ยเขาก็ลบเขาก็หลีดไว้ก่อนเขากลืนกันนี่ดังนั้นเขาอยู่ในโลกในสังคมนั่งสีอันตรายหลายเพราะว่า พอเราไว้ว่าปลูกต้นใหม่ก่างทะเลทรายไม่ขึ้นคือเส้นนี่มันหลายศาสนาซอยหลายประเทศซอยกันนะมีจีนมีญปุนมีทิเบตมีเกาหลีเนาะมังโก่บงทีนะเพราะเราเส้นนี่มัเข้ามาถือวอาตัวสาระแต่ว่าเส้นนี่ส่วนใหญ่เราเป็นสมร t h อยู่เด็พอทำพื้นเป็นเส้นไปนดุลเขาหลายปีต่อหลาปีมันก็เปลี่ยนเป็นวิปัสนาได้ร่กัน แต่ว่าใส่ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในสมาธินะเส้นนี่น่ะเส้นมันจะกคำว่าช้านนะถ้าเป็นเทระวัตก็ร่วนถ้าบุมีไอ้มหายานนี่ก็มดไปขึ้นเพราะเทระวัตอยู่ใดเพราะมหายานอืมเพราะมันเพื่อหมายถึงว่าแกนสาระแท้ๆมันเข้มข้นพอดนะรักษาหนักคนก็เลยขยายให้มันจีดจากมันหน่อยหนึ่งพอคนรับได้นะมันก็เลยยังอยู่ได้ <c oughs> จะเอาเมีย เ, เอายังเน่มีเขามีคร อ, อ<ส>บครัวยังไอศาสนาของเซนแบทิเบนเนี่ยเขาจะมันมีเป็นซีซีนิกายนะนิกายนี่แต่งงานบุได้นิกายนี่มีครอบครัวได้นิกายนี่ ม, ม, มีครอบครัวได้มีลูกได้อนันเงี้ยเขาจะแบ่งเป็นสั้นขึ้นกันเด้บูมันดูว่านี่ทั้งหมดยังไอญี่ปุ่นหรือเปลญี่ปุ่นทั้งหมดไม่ถึงสิบสานิกายวกนี้ บรรเทาเกี่ว่ามีสองนิกายหมดแต่ยิ่พูดในสิบสามนิกายหมดนี่นิกายที่มีเมียงก็อะไรบ่มีมีครอบครัวก็อะไรบ่มีครอบครัวก็อะไรนิกายที่แต่งตัวเป็นพระหรือแต่งตัวเป็นยมก็ได้หรือเป็นโนมยังเดียวก็มีเข้าวมีหลายให้เลือกอยู่เพราะในการขยายพุทธศาสนาไปเร็วตอนนั้นพูดทดสอบตรงนี้มันโกเรนการ์เนาะเอาไปขยายในคูกที่อินเดียอินเดียโตมาขยายในอเมริกาเอาเขานิมนต์มาอยู่ลวสิไปเขานิมนต์ประเทศในคุกนะ มีไอคนคูกเนี่ยแต่ว่ามันยากตอนที่ว่าผู้นําถ้าว่าบอสนใจระบบวิสัยทัศน์เรื่อง น, อนี้หรือไนะมันก็นยากอยู่แล้วแต่ว่าคู่ใดที่มีผู้นําบริ ส, สุทธิ์สัทธาทั้งนี้เห็นว่า <c oughs> เขาก็ต้องเดี๋ยวนี้อังกฤษเอาเป็นวะแห่งชาติเลยนะ <c oughs> เรื่องของพุทธศาสนาเนี่เอาไปสอน <c oughs> ในโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆนั่นแต่ว่า <c oughs> นักปราชญ์บ้านเขาบนว่าในอนาคตเนี่ย คืว่าพระอาทิตย์ขึ้นทั้งตะวันตกคุณน้องแม่นันนี้แหละคือหมายของผู้ใดศ า, าสนาจะมารุ้งเรื่องยังประเทศตะวันตกทางดานัน <c oughs> เอเชียนี่ก็จะค่อยๆ ค, คดหายไปเพราะความขยายตัวของอิสลามมันแห้งอิสลามประการขยายทังดนันอืมเพราะฉะนั้นอิสลามนี่เขาแสกมดอะไนั่น <c oughs> แล้วก็ทางดานันยุโรปทางดานันเขาตอานน่อตนยังญี่ปุ่นเนี่ยอิสลามนี่ขยายหมดเลยเลยกฎหมายเขาจะปิด ประตูสำหรับอิสลามเลยนะคนใหมญี่ปุ่นนี่นะตามนั่นตามสถิติเมื่อวอนนี้คนที่ทําหันมาทํากรรมฐานเป็นประมาณสิบเก้าล้านของผู้ใหญ่นะสิบเก้าล้านโอ้แสดงว่าเขาไปเอามาแล้วต่อไปนี้เขาจะขยายไว้ก็แล้วเพราะอย่างเพราะเขาวิฐานเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วตอนเขามันขยายทราบเพรอย่างเพราะฐานเก้าเขาเป็นไซยาสตร์มันก็ไปป่นกันกับสมถะนะแบบแบบ สายใหญ่ใสแบบมุนดํามันก็เลยเห็นในคนทรับย์สินนะแยกบ่อแต่เขาเจ้ามีฐานเป็นวิญญาณเนาะมันไปเห็นเป็นผลทั้งด้านมันกัมันกับปนกันปนกันทั้งไทยทริงๆจานแ้วนั่นมากก็เลยว่ามาก่ผยแพร่ทั้งพี่ได้สิบกาปีเกือบยีสิบปีเขาก็เลยมาเห็นที้งเดียนี้เติบโตขึ้นมันก็บอบูมแมนว่าบูมมีผลมีผลเท่ากันมีผลแต่มันหลายส่วนกระทบกันนะ โมเมนต์เรก็เรียกว่าเราก็เสมอตทนเสมอไปเนาะส่วนให ญ, ญ่ที่ดังๆมาสักพักมันก็เสียโค่นหมดละอันนี้ตั้งแต่เราคุกคยแล้วก็บบรดังบ่อพ่ อ, อยังได้บอกว่าของเรานะบางคนก็พยายามโจมตีใสรไหลแล้วก็หลแต่ว่าเราก็พิสูจน์ได้ว่ามันก็บ่อธรรมดาโดยเฉพาะยังยิ่งพวกเอเมริกาพวกที่เขาเป็นไอ้มิชชันนิธินะ อะไรที่ทั้งพระเขาจะเติบโตทั้งพุธศาสนาเติบโตทั้งหลเนี่ยเขาจะเอาโอกาสที่จะบอกที่จะกันขึ้นกันเลยพวกหนึ่งนะอ่าโดยเฉพาะในเชิญนี่ก็เลยว่าตีพุทธศาสนาโดยตรงนี่บางบางบางลที่บางเชิญนะนะเอาพุทธเจ้าไปพิจารณ์ทั้งเ e, สียหายวุฒิหน่อเดี๋ยวนี้คนเอามดิติชันเข้าแล้วดิเข้าล้วตามเชิญกลางๆนะเราเห็นอยู่ดังนั้นเขาก็ซอยกันเดในเกาะฮาวายนี่เป็นอย่างไดเขาจะใดงูเขาจะใด ทำเรื่องนี้อามากก็บริเหวังว่าเขาจะต้องมีนักบวหลายายแต่เขาครือ ง, งัดของเขาเนี่ยซอยกับปฏิบติหลายราบอกตอๆกันเอาเนาะโดเยดเฉพาะในพี่น้องชาวลาของเขาเนี่ยถ้าได้บอกตอกันไปภากับปฏิบัติช่วยกันผู้ใดมีโรคภัยไข้เจ็บก็บซอยกันผู้ใดมีปัญหาทางด้านจิตใจก็เอาเรื่องทำาไปซอยกันมนบอกพเป็นซอยกันแต่เรื่องกว่าหารอย่างเดียวเด้ซอยกัน่วัองกัเราแล้วก็เาเตอาทธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะถ้าไปเขาก็เอาน้าไปใส่ไอ ปวดไปใช้นามในห้วยมันตังไ้ไม่ออกลวดเป็นบอว่าหลวพอมดเรียบร้อยเป็นพูนทาซักซิดเลยนี่นามซักซิดไปกันใหญ่เลยวันนี้นามซักซิกจีแล้วหายหลบหายไปเพื่อนดิ่งจะไปซาวไปหลเดี๋ยวขาเจ้าอย่ามาแซ่แข้งแซ่ขายเรานี่ยไหมก็ทวงจะได้ฝากไอ้มรดกนี่ให้ลูกให้หลานให้ต่อเนาะ จะขึ้นถ้าหากว่ามันนั่นอิรีเป็นทีเข้าใจว่าถ้ามันเป็นทีที่เผยแผ่พุทธศาสนาได้เนี่ยไอวาสนาหรือ ว, ว่าบุญวารมีของพระตัตนาไตเนี่ยต้องต้องซอยคุ้มคล้องกันเนาะมันจะคอยเป็นไปเองนะสิ่งดีที่ถืกต้องดีงามสิ่งที่มันมีพลังน่าดาสร้างสรรค์เนี่ยมันก็จะคอยเป็นไปโดยเฉพาะเขาก็เริ่มต้นจากมือเขาเนี่ยมันบอกลูกหลานเหตุยังไดจะลูกหลานเข้ามาได้เหตุยังไดจะให้ พอแม่พี่นองผูดหิบมีฉัท่าเลื่มใสยอยู่แล้วได้ให้มาทั้งนี้ใดเนี่ยไฮสกูลก็ได้นมัสเป็นวะละหังชาตได้มีไอสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งอยู่ทางไฮด้าโอ้ดเนี่ยเราเคยปวดเป็นพระมา ก, ก่อนตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกลราเสนอเรื่องนี้เลยว่ามีพัฒนาที่จะแก้ปัญหาทางด้านของสังคมเขาไ ด, ด้นเดี๋ยวนี้ไอสมาชิกสภาผู้ น, นั้นในอเมริกานี่นำเสนอเขาก็าหึ่งห้ากันใหญ่เลยเนีย่ว่าเอามาแพร่ขยายกันในระดับผู้นํา ของเขาเนี่ยมันนําเสนอเอาบ้านแล้วที่ใครหินอยู่ข้างในเนี่ยนะ<ม>ก็อันนั้นเรื่องการ ส, สาร้างศาลในเรื่องซัทธ า, า น, นี่มันมีปัญหาลงเพราะว่าประการสําคัญถึงการดําเนินให้ตรงเป้าของพุทธศาสนาเนี่ยนะอย่างใดตอนนี้แต่ถ้าหากว่ามันอ้อมหลายคนก็จะลงทางเนาะแต่ถ้ามันตรงหลายคนก็รับประเด็งสีเนี่ยเห็นอย่า ง, นะางใดมันพอดีแล้ <numéro. S 2> คิดว่าถ้ามีโอกาสทําวาสนาเนาะได้พ่อกันอาจจะได้คุยกันได้ แต่ว่าก็แล้วแต่ผมใส่คาว่าธรรมะจสันธรรมะจสันนะตรงนีอถ้ามันเป็่นไปไดนธรรมะแจศสันให้พ่อให้คุยกันได้แต่ธรรมะโบแจศสันไปใกล้กันกับโบเดี๋ยวโบพ่อกันลอยู่นี่ธรรมะโบแจศสันหลานี่เป็นธรริะจังหวัด หลวงพ่ออาจจะกลับมาแวะนี่ก่อนก่ดียกับมเมืองไทยนะเนี๋ยวได้ว่าเดือนกุมภาเนี่หลวงพ่อเดี๋ยกั้เดือนเฟบรุียตอนเดียกั้เมืองไทยแต่ว่าในช่วงก่อนเดียกับมหน่นะเพิ่งพอมีงานติดตัวอยู่อันหนึ่งคือหนังสือสดมนึงหลวงพอพิมพ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยตอนนั้นทําตุนเฉพาะอยู่แอเรนตาแล้วส่งไปพิมพ์เมืองไทยแต่พิมพ์อมมาแล้วมันพิสหลายบนหลวงพ่อเล้วเดี๋ยวพิมใหม่มันจะมานั่งแกะไขให้มันเรียบร้อยนะตอนนี้เขามีทุนมี้ยังมีจะภาพพิมพ์แล้วแต่ว่า ความไเรียบร้อยถือต้องในมรดกนั่นองยังมั่นคงเหตุอยู่แต่สมมติมานมั่นคงเหตุอยู่นี่จะมีเวลาบอสะะเสน่ออถ้ามีเวลาให้สัตย์กันเดียวจะเอากลับไปพุูนเราอีบอกอีกเธอหนึ่งเพื่อจะได้มีตัวกลับมามจากนี่กลับไปเราทำเมืองไทยก่งยังไงคุณเพราะว่าในสถานที่มองหนีต่อไปด้านหน้านีไมันจะบุ่มเลยบึงสุ้งเนาะคนจะเข้ามาอยู่หลายแล้วก็ พวกจีนพวกมอมัอนเนี่ยฮุบแถวนี้เมือ่อถ้าหางว่าบอเพื่อกันสร้างสาแต่ยังได้กระทำลงเพราะว่าซาลายกับบุีบท่านเขาเนาะเรี้วหลกับบบมีเงินจรงจริเนี่ยเออวันไะไหนพอดีเนี่ยหลวงพ่อว่าอยให้ขได้แต่มันก็เพราะไปใส่เมาใส่ใดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลามันเอ่อเขียนลายเมือนกับบคบขดีจรงจรินะแต่เราก็ดูแลลูกเราสามีเราเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ พอสา ม, มีเราเสียเราก็เลยบอแต่งงานใหม่แล้วก็ดูแลลูกเรามตลอดนะแฟนเราเป็นคนญี่ปุน่นเพราะนั้นอย่าได้ว่าถ <c oughs> ้ามองนี้มันจะเป็นไปได้แก่หลายหลายคนที่มีความตั้งใจดีมาร่วมกันเนาะก็ <c oughs> ะเปลี่ยนไปได้ที่ซาซิลเรีวแต่ยังใดก็ตามกันปฏิบัติในเคียวเน่ของพอบะมือห้องตรงจับลักให้ได้นะปัดเอาไว้สมมุติว่าจะวันฝ่าวันศิลปินเข้าแล้วก็ไปปฏิบัติกันญี่ปุ่นแต่ว่าบมมีคู่ใบจานเดียเป็นทางโซ่กันวัได้ ต่างหันหลังหัลัทางกันแลก็ังปฏิวัติอย่างเปฏิวัติเช็ดมือบืนเขามานั่งโซ่กันนี่ถ้าช่วยกันขีดกันสร้างแต่ว่ายังไงก็ตามมาว่าลักการเบื้องต้นเนี่ยต้องให้คนมีกรรมฐานเป็นลักไว้ก่อนแล้วมันจะเห็นอย่างมันไปในทางที่ปลอดภัยนะเพราะที่นี่เขาต้องยอมรับว่าในโลกตะวันตกเนยเรื่องวิศนเนีมันแห้งถ้าสมมุติว่าลักการกรรมฐานบาเข้มแข็งเนี่ยินีนีได้ดูดไปกินมด เ<ด>พราะตอนนั้นมันมีปัญหาขึ้นมาล้วนะเรื่อง hey, ผลประโยชน์น hey, hey, hey. ปัญหาตามมาผลประโยชน์ก็ตามมากอะไรๆยากกันแต่ถ้าสมมุติเราเอาธรรมะไปรักปฏิบัติกันไปแล้วก็เรื่องไอาา้ธรรมะหากินเรื่องอยู่เรื่องแล้วลงชีพนี่ก็ว่ากันไปตามไอ้เหตุปัจจัยที่เหมาะสมยืนต้องต้องยั่งยืนเรื่องนี้ให้ดียังยืนเรื่องไอ้เรื่องปฏิบัตินี่นะ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้เป็นยั่งยืนในด้านจิตใจ ที่เมื่อร่างกายสําคัญก็จริงแต่ว่าทาด้านชีเจียโบกิมแข็งเนี่มันก็ไปโบโลดนะเนอะควมจริงไอ้ที่มืองไทยที่หลวงพ่อฮุ่จักไอ้อัลเทนทีเม็ิทินภูมิเชืองนี่คืออันหมอเขียวนะที่ผุนผ้าโยค่ะเมื่อก่อนนะหมอเขียวนะแต่ก็เอามาครั้งแรกที่สุดเรามาไม่กล้าหลวงพ่อพามาลุที่วัดหลวงพ่อเด้วัดที่ละสวีเกตนะต่อมาไม่ออกผู้ที่เขานิยมเท่านี้กินิมนต์มาสุปีแต่หากว่าต่อไปถ้า เผานี้ยืมเราดาันสมุนไพรเอาคนมาลงนีกันคนมาปืนมาปวัวอยู่นี่นะโดนก็ะแห่งดีและใบบอลนั่นนี่จะได้ไม่เสื่อมกันนะี๋ยวนี้แล้วก็เชื่อจอเ่าไปต้อกเตอร์ทางดานเอาเทนทีถีบเลยดิหมอเขียวเนี่ย